พยายามทําใจให้เป็นหลักเพื่เป็นเพื่อนยึดของตัวเองทำอะไรต้องมุ่งหลักไม่มีหลักมีเกณฑ์ไม่มีเหตุมีผลมันวนเลยหาวความแน่นอนไม่ได้การอยู่ด้วยความไม่แน่นอน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 มีทาเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจไม่ว่าจะทำหน้าที่การงานอะไรน่อมเป็นไปด้วยหลักด้วยเกมด้มยเหตุด้ยผลเป็นความแน่นอนการอบรมจิตใจด้วยขีดด้วยทมก็เพื่อจะให้ใจเป็นหลัก ใจนั้นมีอยู่แล้แลวรู้อยู่แล้วแต่ว่าเอง็งเอียงไปตามกิ่งต่างๆไม่มีประมาณอะไรมาผ่านก็เอนเอียงไปตามมาพัดนิดๆหน่อยๆสัมผัสนิดหน่อย ๆ, ๆก็เอง็งเอียงไปตามนั่นคือจิตไม่มีหลักเกณฑ์ตั้งตัวไม่ได้ถูกพัดถูกเหวี่ยงไปมาอยู่เสมอ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 ซึ่งไม่ขอท่าเขา้าทางเป็นลนักษณะเหมือนคนขี้บนอยู่ที่ไหนก็บนเห็นอะไรก็บนเกี่ยวข้องกับใครก็บน่นทาหน้าที่การงานบนให้งานเกี่ยวกับคนบนให้คนค บ, บคานคกับใครบนให้คนนั้นบนไม่หยุดไม่ถอยบนให้ลูกให้หลานบนให้สามีภรรยาส่วนมากเป็นผู้หญิงต่ต้องขออาภายัยที่บนเก่งหากไม่ได้หลักด้เก่ง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 หากมม่มีวาสนาแล้วไหนจะมาสนใจกับอักขระธรรมเริ่ต้นการเกิดมาเป็นมนุษย์สมบูรณ์ไม่เสียจดิตจิตวิกลวิการต่างๆแล้วยังไม่มีความเชื่อความเน้มสยในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นของเลอของประเสริฐไม่มีอันใดที่จะระเกิดยิ่งกว่าศาสนธรรมซึ่งเป็นเครื่องพิมตัดหรือคมตัด ให้พ้นจากทุกข์ไปไ ด, ด้โดยหำดัดังที่เคยกล่าวเสมอว่านิยานิกรรทำนั่นก็คือออกจากาศาสนธรรมนำธรรมเหล่านี้ไปบำรุงจิตใจของเราที่เห็นว่าบกพร่องความบกพร่องที่ตรงใดนั่นแหลคือความอาภาพของจิตที่ตรงนั้นการกระทําของจิตความเป็นอยู่ของจิตก็บกพร่องด้วยกันเรามองดูจิตนี้มากยิ่งกว่าที่เราจะมองอย่างอื่นเป็นลมๆแรงๆ นามคืว่าตําหนิงอานาจวาสนาเจ้าของว่าน้อยมันมีอํานาจวาสนาคนอื่นเขาดีหมดแต่ตัวไม่ดีทั้งทั้งที่เราทําดีอยู่ทําไมเราไม่ดีแล้วไปทําความเสือหายอะไรเราถึงไม่ดีทานทําดีอยู่จะไม่เรียกคนดีจะเรียกอะไรความทําดีนั่นแหละเป็นเครื่องรับรองคนผู้นั้นว่าดีไม่ใช่การทําชั่วแล้วเป็นเครื่องรับรองคนให้ดี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 หากิเลสมีมากก็ควาแต่จะตำหนิอิเตียนทำหยาบย่ำทำลายทำภานาจิตใจการที่ยอมเพนตนให้เป็นไปเพื่อความยิงามในเด็กมากได้ผลตามความมุ่งมั่นปาจฉนาจึงมีการคัดค้านตนอยู่เสมอแต่พ อ, อย่างยิ่งก็คือการตำหนิอิเตียนตนว่ามีอำนาจวาสนาน้อยเกิดมาอาภาพาัพวาสนาแต่ใครเขารู้ก็เห็นแต่เราไม่รู้ไม่เห็นใครเขาเป็นใหญ่เป็นโตภานจิตใจแต่เราเป็นเด็กเล็ก เรากับสามมันในน้อยองค์หนึ่งอยู่ภายในจิตใจนี่ก็คือตําหนิตนนี้เถิดแล้วเกิดความเดือดร้อนขึ้นมาด้วยทําให้น้อยใจตนเองการน้อยใจนี่ไม่ใช่จะทําให้เรามีความขยันมันเพียงมีแต่จิตใจใจเพื่อบําเพ็ญตนให้มีระดับปัญสูงขึ้นแต่เป็นการเหยียบย่าทําลายตนลงคือให้เกิดความท้อใจซึ่งไม่ใช่ของดีอาจเป็นอุบายคนอุบายของกี้เล็กทั้งนั้นเป็นเครื่องทําสอนคนให้เราทราบไว้ว่าอุบายแบบนี้คือเรื่องของขีเล็ก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 เขาต้องติดแน่ก็ติดไปจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายที่จะผ่านพ้นไปหมดเรื่องอำนาจวัฒนาใดๆนี้ซึ่งเป็นสมมติเป็นเครื่องสนับสนุนในความเป็นอยู่นี้ก็ต้องผ่านไปหมดเมื่อถึงขั้นที่พ้นจากความสมมติโดยประการทั้งควงแล้วตำหนีที่ตรงไหนมีทางตำหน่ตนใต้ที่ตรงไหนให้พยายามเร่งในจุดนั้นขึ้นด้วยความภาพเพียร แล้วอย่าไปคิดทางอื่นเรื่องอื่นนอกจากตัวให้เสียเวลาและทําให้จิตใจท้อถอยอ่อนแอไปด้วยการสร้างวาสนาให้มีความสมบูรณ์ขึ้นมาให้มีอานาจวาสนามากก็สร้างที่ตัวของเราสร้างที่เล็กและน้อยสร้างมาอยู่ในถอยเช่นอย่งตัวเขาสร้างจอมตัวเห็นไหมใหญ่โตขนาดไหนขุดจนเป็นเดือนก็ ไม่ราบเราจะขุดให้มันราบเหมือนที่ทั้งหลายฟันมันสองซี่เท่านั้นแหละมันสามารถสร้างจมวกได้เกือบเท่าภูเขานี่เพราะความเพียรของตัวทั้งหลายเรามีความเพียรมากยิ่งกวก่าตัวอืมฟันเราก็หลายซี่กําลังเราก็มากยิ่งกวก่าตัวทำไมเราจะสร้างตัวเราให้มีความสูงเด่นขึ้นมาได้ต้องสูงได้ ด้วยอำ น, นาจแห่งความเพียรจะเหนือความเพียรไปไม่พ้นพระพุทธเจ้าได้กัดสู้ด้วยความเพียรนะเราทําไมจัดการเป็นคนอภัพไปด้วยความเพียรทั้งๆ ท, ที่ความเพียรมีมากแต่การเป็นคนอภัพเป็นโดยลำหน่ำๆไม่มีถ้าลงด้วยเพียรตามหลักธรรมที่ท่านสอนไปแล้วไม่มีทางอื่นนอกจากจะทําผู้นั้นให้มีความเจริญมมุ่งเดือนขึ้นพานอกจิตใจ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 ่สมาธิเวลาพิจารณาเวลาภาวนาแล้วจิตมีความสงบอย่างนั้นมีอาการของจิตเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นตามจริตนิสัยต่างๆกันสุดท้ายจิตได้ลงสู่ความสงบอย่างแนบแนบมีความสุขความสบายอย่างนั้นเราก็ไม่เข้าใจูดถึงเรื่องปัญญาการพิจาณาคลี่คลายถึงเรื่องถาดเรื่องขันตลอดถึงโลกธาตุซึ่งเป็นสภาวะธรรมทั่วไปอันควรแก่ปัญญาที่ต้องพิจารณาให้ผู้แจ้งที่จริงเราก็ได้เพียงแต่ เข้าเข้าใจในคำพูดเฉยๆแต่ความมุ่งหมายอันแท้จริงนั้นเราไม่ทราบหรือบางทีอาจไม่เข้าใจเลยก็ได้นีถี้เมื่อเราได้รับการอบรมด้วยจิตภาวานาอยู่โดยสม่ำเสมอจิตค็มมีความสงบเย็นใจบ้างอันเป็นผลเกิดขึ้นจากการภาวานาพอท่านแสดงธรรมถึงภาพปฏิมิจิตของเรากับกระแสธรรมจะเข้ากันเริ่มเข้ากันได้โดยลาดับลาดับ กระแสธรรมเลยกลายเป็นบทเหมือนกับบทเพลงที่แม่กล่อมลูกให้หลับสนิทนาจิตใจงเรามีความสงบได้ด้วยกระแสธรรมทีท่เริ่มแสดงเมื่อสงบได้ใจก็เย็นสบายเห็นผลในขณะที่ฟังธรรมแล้วค่อยเห็นคุณค่าของการฟังธรรมโดยลํำหนัะและเห็นคุณค่าของการปฏิบัติก็โดยลำหนับ จนกระทั่งจิตมีความสงบเย็นจริงๆแทบทุกวันทุกครั้งที่ฟังเทศจากภาคปฏิบตัตินั่นและจิตยิ่งมีความดืดดึดดึงและทราบซึ้งมัเป็นลำหนักลำหนักมีเพียงขั้นนี้จิตก็ยอมรับจิตพอใจในการฟังทำทางภาคปฏิบตัติยิ่งจิตมีความละเอียดมากจังเละ สมาธิก็ดีปัญญาก็ดีมีความละเอียดไปตามขั้นเห็นสมาธิมีความละเอียดขึ้นโดยลำดับนะผู้พิจารณาทางด้านปัญญาก็มีความละเอียดทางด้านปัญญาไปดนะโดยลำดับด้วยแล้วการทําท่านแสดงในทางภาคปฏิบัติทั้งด้านสมาธิจะเป็นขั้นใดก็ตามทั้งด้านปัญญาขั้นใดก็ตามคิดจะรู้สึกจะคล้อยตามไปโดยลำดับเพื่อเพิมเพื่อเพิ่ม อะไรพูดไม่ถูกซึ้งลืมเวลาไม่ล้ำเวลามีแต่ความรู้สึกกับธรรมที่สัมผัสกันเกิดเป็นความเข้าใจทุกขณะขณะขณะที่ท่านแสดงไปเป็นการซาก้อบจิตใจไปในตัวไปในตัวและกรอบจิตใจลงไปในตัวถ้าจิตอยู่ในท่านที่ความสงบก็เหมือนกับว่ากรอบลงให้สู่ความสงบจิตกําลังก้าวทางด้านปัญญาก็เหมือนกับขัดเกลวเวลาฟังเทศเหมือนกับ น, น้ำที่สะอาดเข้ามา ชาล้างสิ่งที่โสกปวกคุอภายในจิตใจให้มันผ่องใสขึ้นโดยลำดับลำดับเห็นผลประจักษ์ในขณะที่ฟังจิตยิ่งมีความรักความชอบในการฟังจดจ่อต่อเนื่องกันโดยลำดับอยากได้ยินได้ฟังอยู่โดยสม่าเสมอทุกวันถ้าดยซ้ำนอกจากนั้นยังอยากจะฟังไปตามโอกาสเวลาอีกด้วยนี่เราคิดดูจิต ด, ดวงเดียวนั่นแหละ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 ย้อนกลับมาตำหนิเจ้าของงานนี้เห็นไหมท่านอาจารย์มั่นชื่อเสียงท่านโด่งดังกิตสัตย์ฤธคุณท่านดูก็ฉชอนมาเป็นเวลานานตั้งแต่เรายังเป็นเด็กเด็กเรามีความพอใจที่จะได้พบได้เห็นได้ฟังโอวาทของท่านวันทีนี้เรามาได้มาฟังแล้วไม่เข้าใจเราอยากเข้าใจว่าเราฉลาดเราโง่แค่ไหนนั่นเราเคยฟังเทศทางด้านอปริยัติฟังจนกระทั่งถึงสมเด็จเราเข้าใจไปหมด แต่เวลามาฟังเทศท่านอาจารย์อาจารย์มั่นซึ่งเป็นองค์ที่ประประสดเราเชื่อแล้วว่าท่านพระประสบพระกดชื่อือนามมานาไม่เข้าใจนี่เห็นแล้วอย่างความโง่ของเราเราหาความโง่มาเอิมตัวความฉลาดยับหนึ่งไม่มีจึงไม่สามารถที่จะเข้าใจอจัธรรมของท่านที่แสดงอย่างลึกซึ้งดังที่พระทั้งหลายทั้งเคยได้ฟังท่านแสดงแหมวันนี้ท่านแสดงทำลึกซึ้งมากนี่แต่เรามันลึกซึ้งที่ไหนไม่มีซึ้งอะไรเลยไม่เข้าใจ นี่เชะโง่ไหมทราบแล้วยังว่าเจ้าของโง่นี่ตำแหน่เจ้าของดีอย่างหนึ่งที่มันเป็นตำแหน่ท่านก่อปวยกรรมเข้ามาทับข้อเสียอีกทั้งทั้งที่หมักอยู่แล้วคันฟลางท่านไปนานๆแล้วปฏิบัติไปทุกวี่ทุกวันทุกเวลาแล้วฟังเทศท่านค่อยเข้าใจคิดค่อยได้รับความสงบเย็นเข้าไปโดยลำหนักลำหนักนี่คอยรู้สึกว่าค่อยซึ้ง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 แก่กิเลสน่ะพูดไม่พูดพูดไม่ถูกเทศไม่ถูกจุดแห่งมรรคผลนิพพานนานเพราะความซึ้งความเชื่อเหตุที่จะเชื่อเหตุที่จะซึ้งก็เพราะเห็นเหตุเห็นผลปรากฏภายในใจของตนในขณะที่ฟังโดย ล, ะ ล, ะ ล, ะ ล, ะละําดับลําดับนั่นแหละนี่ละจิตดวงเดียวนี้ขั้นเวลาหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งแล้วเวลาหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งทำมาจริงเป็นอย่างนั้นก็เพราะสิ่ง เกี่ยวข้องกับจิตหุ่งห่อจิตนั้นมันแม้มีแต่สิ่งที่ดำดำทั้งนั้นสกรปรกทั้งนั้นทำที่สะอาดเข้าไปไม่ถึงเพราะความสกรปรกของจิตมีมากเทน้ําลงทุกหนึงจะไม่ปรากฏความสกรปรกนั้นจะหลุดลอยออกบ้างเลยต้องเทลงเทลงล้างชะล้างขัดถูกันอย่างเต็มกําลังพลสามารถไม่หยุดไม่ถอยแล้วก็ค่อย สะอาดขึ้นมาสะอาดขึ้นมานี่แหละทำที่ท่านแสดงเหมือนกับเทน้ําลงล้างสิ่งที่โสโปรกอยู่ภายในจิตใจของเราซึ่งมันไม่ยอมเข้าใจอาจทำอะไรเลยทั้งๆกินเป็นธรรมมันประเสริฐแต่จิตมันไม่ประเสริฐจิตมันโสโปรกจิตมันเป็นของไม่มีคุณค่าทำแม้จะมีคุณค่ามากเพียงไรมันก็ไม่ยอมรับนะเพราะสิ่งที่ต่ากับสิ่งที่สูงมันเข้ากันไม่ได้อืมขณะที่มันโง่มันจะเอาความฉลาดมาจากไหนขณะที่มันเศร้าหมองมันดํามันจะเอาความแจ้งความขาว มาทางไหนต้องอาศัยการช้าล้างเรื่อยๆมันค่อยสะอาดขึ้นมาค่อยจากขึ้นมาก็ปรากฏเป็นของมีคุณค่าขึ้นมาอะไรๆเมื่อจิตมีเริ่มมีคุณค่าขึ้นมาเสียอย่างเดียวเท่านั้นสิ่งที่มาเกี่ยวข้องก็ค่อยมีคุณค่าขึ้นมาโดยลําดับๆแม่ที่สุดได้ยินเขาร้องไห้เขาด่ากันทะเลาะกันเถียงกันยังนําเข้ามาเป็นอัดเป็นธทมเป็นสิ่งที่มีคุณค่าคุณนได้จ้าสิ่งที่ไม่พึงปรารถนานั้นน่ะเหนือจิต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 มันมีมากมีน้อยของไม่ดีมีมากแท่าไรมันยิ่งแสดงความไม่ดีให้เห็นมากนั่นแหละเราต่อสู้กงที่มันไม่ดีเพื่อเอาของดีขึ้นมาครองภ า, ายจในจิตใจเรื่องความขายันหมั่นเพียรความอดความทนการเจริญเมตตาภาวนาทุกด้านเพื่อจะแก้สิ่งที่มันดื้อด้านอยู่ภ า, ายในจิตใจของเรานี่มันคอยทำลายเราด้วยวิธีต่างๆทั้งๆที่เราเข้าใจว่าเรามาบาเพ็ญความดี แต่มันก็ติดมาด้วยภาในจิตของเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อมีโอกาสเมื่อไรมันก็ต้องพยายามทําลายเราอยู่เสมอเราจึงไม่น่าไม่ไม่ควรไว้ใจไม่ควรนองใจมันแทรกอยู่ในนั้นเรามาอยู่ในป่ามันมาด้วยเพราะมันอยู่ที่จิตเราอยู่ที่ไหนมันอยู่ด้วยอืแล้วว่าเราไปเป็นธรรมไปบำเพ็ญธรรม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 เรื่องกิเลสมันสลับทับซ้อนอย่างนี้การปฏิบัติธรรมต้องใช้สติปัญญามันจะสามารถทราบความดีความชัว่วความผิดความถูกอันใดเป็นกิเลสอันใดเป็นธรรมซึ่งมีอยู่ภายในตนคือภายในกิจของเราดวงเดียวนี้มีวาสนานะมีทุกคนอยู่ที่ใจนี้ใครจะได้แข่งกันไม่ได้ท่านไม่ท่า น, านห้ามไม่ให้แข่งอํนนานาจวาสนากัน แม้แต่สัว์ฉานเท่าก็ไม่ไปดูถูกเหยียดหยามเขาว่าเขาเป็นสัตว์เพราะการท่องเที่ยวนวัตตะท่องสารเตรียบเหมือนกับเราเดินทางย่อมมีสูงสูงต่ำต่ำรุ่นุ่นดอนดอนคลุกคลับสะดวกบ้างเป็นธรรมดาอย่างนั้นตลอดไปในขณะที่เขาเกิดเป็นสัตว์วิบฉานก็คืออยู่ในสถานที่ลุ่นลุ่นดอนดอนลึกขรุขระลําลบากลําบนแต่ผู้เดินทางก็คือจิตธรรมะหากระสับ ที่เรายกย่องว่าท่านเป็นผู้ปกครองบ้านเมืองหรือเป็นพ่อบ้านพ่อเมืองเวลารถท่านเสด็จไปตามถนนทางลงที่ต่ําท่านก็พระมาหากษัตริย์ก็ต้องลงลงไปที่ลุ่มๆดอนๆก็ต้องไปตามสายทางที่พาให้ไปขื้นที่สูงก็ขึ้นแต่กับพระมาหากษัตริย์องค์นั้นแหละขึ้นลงต่ําก็พระมาหากษัตริย์ขึ้นสูงก็พระมาหากษัตริย์องค์เก่านั่นแหละมีจิตเวลามันขูกขะก็คือจิต ด, ดวงนั้นแหละ มีวาสนาอยู่ภายในตัวแต่ถึงคารมา ก, ก็ต้องมีบ้างเป็นธรรมดาเพราะโลกนี้มันมีทั้งหนีทั้งชั่วสับปนกันอยู่เมื่อโลกมีทั้งหีทั้งชั่วสับปนกันอยู่จิตใจของเรามันมีทั้งหนีทั้งชั่วจะไม่ให้มันแสดงตัวได้อย่างไรมันต้องแสดงถ้าเราเป็นนักตระพื้นปฏิบัติเพื่อรู้เพื่อเข้าใจสิ่งที่มีอยู่กับตัวว่าสิ่งไหนควรแก้สิ่งไหนควรตอบถอนสิ่งไหนควรนเป็นเราก็ควรจะยินดีตามความจริงที่มันแสดงขึ้นมาให้เราได้แก้ไขและให้เราได้ส่งเสริมนี่ชื่อว่านักธรรม กล้าเผชิญหน้าทุกสิ่งทุกอย่างจนกระทั่งหาที่เผชิญไม่ได้หมดภัยหมดเวรทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ไม่ทราบว่าจะสู้กับอะไรเวลาที่มันมีข่าสึกอยู่ก็ต้องสู้สิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายนั่นแลคือข่าสึกต่อตัวของเราเวลานี้เรามาลบกับกิเลสกิเลสมีอยู่ในตัวของเราเราอย่าหลงกลมายาของกิเลสที่หลอกเรา จะชื่อว่าเป็นผู้แสวงหาความฉลาดเพื่อแก้กิเลสอยา่าให้กิเลสมาหัวหายมัดคอเราถูกมัดดีเหรอเราเห็นไหมคนอยู่ในห้องขังดีเหรอถูกต้องหายังดีมีทางแก้แต่ถูกต้องขังนี่สิหมดทา่ากิเลสกัาเราต่อสู้กันนี่เหมือนผู้ต้องหาเวลานี้ใจ เหมือนพูต้องหาพิเรศ ก, ก็มีทำก็มีทางหนึ่งทางชั่วทางหนึ่งทางย่ำยีทางไหนมีกำลังทางนั้นก็ชนะในตอนนี้เราจะเอาทางไหนเป็นทางชนะทางไหนเป็นทางแพ้พิเรศ ก, กับทมอยู่ในใจดวงเดียวกันเราต้องพยายามต่อสู้เพื่อชิงชัยได้หลักเกณฑ์ขึ้นมาจากการประพฤติปฏิบัติของเราใจก็มีหลักเริ่มเชื่อถือตัวได้ มีหลักเพื่อทำหายใจมีหลักเพื่อทำใจก็หยุดอยู่ที่ไหนก็เย็นสบยัยนี่คือการสร้างบารมีสร้างอย่างนี้ชาติปัญญามีเท่าไหร่เอาขุดค้นขึ้นมาแก้ก่กิเดสก่เลสยอมขึ้นชื่อว่าสติปัญญาแล้วอย่างอื่นไม่หย่อ ขุดค้นขึ้นมาพิจเรณาเรามันมีเรื่องอยู่ตลอดเวลาถ้าเราจะพิจารณาดูเรื่องไม่ใช่เรื่องอะไรเลยเรื่องกิเลสแทบทั้งนั้นเป็นหัวใจถ้าเราสร้างคติปัญญาขึ้นมาแล้วจะได้มองเห็นเรื่องของกิเลสที่แสดงตัวเป็นข่าศึกต่อเราอยู่มากน้อยอย่างไรตลอดกาลมาแล้วเราจะได้พยายามแก้ไขพยายามต่อสู้จนได้ชัยชนะเป็นลาดับํๆและรู้แถวทางของกิเลสที่มันออกในแง่ใดบ้าง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 มีความเพียรสนับสนุนสู้กันจนถึงที่ทีเดียวสารนี้เป็นสารสำคัญมากสารต้นก็อยู่ที่นี่สานอุทธรก็อยู่ที่นี่สานดีกาก็อยู่ที่นี่สารต้นคืออะไรสู้กิเลส ข, ขั้นยำหยาบสู่เรู้อนี้ไม่ได้เอาขึ้นอีกสารหนึ่งสติปัญญาหาวบายมาใช้ใหม่เอาจนกระทั่งชนะขึ้นถึงสารสูงสุด ตัดสิ้นกันขาดโดยประการทั้งปวงได้จาก่กิเลสอย่างยาบแก้โดยปัญญาอย่างยาบกิเลสอย่างกลางแก้โดยปัญญาอย่างกลางกิเลสอย่างละเอียดละเอียดสุดแก้โดยปัญญาอันสูงสุดสติปัญญาณแก่กล้าสามารถที่ท่านเรียกว่ามหาสติมหาปัญญาเอาถึงสารนิการเนี่ตัดถิ้นขาดกันลงสะบัดลงไปไม่มีอะไรเหลือเลยแล้วไม่ต้องไปสารไหนอีกทีอยู่อย่างสมาย นี่โรงสารใหญ่เราเห็นไหมอัตภาพร่างกายของเราธาตุสี่ดินน้ํามลมไฟเป็นเครื่องค้าประกันเราให้เป็นมนุษย์อยู่เวลานี้ขันห้าเป็นเครื่องค้าประกันให้เราเป็นมนุษย์เป็น ส, สารสถิตยุติธรรมอ่าอยู่ที่ตรงนี้ว่ากันโดยอัดโดยธําว่ากันโดยเหตุโดยผลพิจารณาโดยเหตุโดยผลไม่ต้องย่อท้อต่อพิเดตตัวใดไม่ต้องตําหนิตีเตียมตวนว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อันเป็นการเข้าฝ่ายกิเลส ให้มันได้ใจแล้วชนะเราไปโดยที่เราไม่รู้สึกตัวผลที่เราได้ก็คือความเสีย อ, อกเสียใจความทุกข์ความลําบากนั่นคือเราแพ้หุดค้นขึ้นมาพิจารณาคดีมันมีมูลอยู่แล้วพิเลศมันมีเหตุมีผลตองมันมันถึงเกิดขึ้นนี่เรียกว่าคดีมีมูลปัญญาก็มีเหตุมีผลที่ควรแก้กิเลสได้อยู่แล้วให้ที่นาลงไปนี่กิเลสมันหลอกเราว่า อัตภาพร่างกายนี้ก็เป็นเรานะ <Yeah. S 2> ร่างกายทั้งหมดเนี้หนังก็เป็นเรา uh huh. เนื้อก็เป็นเรากระดูกก็เป็นเราผมขนเล็บอะไรเป็นเราทั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างภายใร่างกายนี้เป็นเราเป็นเรามาตั้งกับตั้งกั น, น uh huh. แล้วเรายอมแพ้มันตลอดแม้ว่าศาลไหนพบใดแพ้มันมาเรื่อยๆคราวนี้เราเอาสู้ศาลขึ้นในอัตภาพนี้เรียกว่าศาลต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีาากาเขาว่ากันลงไปตรงไหน uh huh. อ้าว แต่งทนาขึ้นมาสติปัญญาขุดค้นขึ้นมานั่นแหละคือทนายอันสาคัญสาคัญผู้ตัดสินจริงๆก็คือวภาคศาได้แก่ปัญญาอันเฉียบแหลมค้นลงไปเห็นชาตุจริงถ้าเห็นธัดเจนจริงๆริงไหนคนจริงๆอยู่ที่ไหนอภาพร่างกายยึดเป็นเราเราจริงๆเหรือถ้าอัตภาพร่างกายนี้แตกไปเราจะไม่หมดความหมายไปแล้วหรือนั่นร่างกายไม่ใช่เรานั่นเองแม้มันจะแตกสลายไปเราจึงไม่หมดความหมายเราจึงคือเราอยู่โดยดีเพราะไม่ใช่ร่างกายน่ะพิจารณากันจงนี้ ความหมายไม่ได้อยู่กับร่างกายความหมายว่าเราแล้วไม่อยู่แล้วกับร่างกายเรานั้นอยู่กับผู้รู้ผู้รู้อย่าไปหลงอย่าไปกอบกลัวทุกข์ขึ้นมาทุกข์อยภาในจิตเพราะการยึดถือก็มากพอแล้วยังจะไปหลงแบกหามไปอีกมันก็ยิ่งเป็นทุกข์อีกอะไรแล้วก็เป็นเราเป็นของเราไปเสียหมดกอบกวยเข้ามาให้เป็นกลองทุกนี่แหละคือแท้ตลอดวันตลอดทบตลอดชาติค้นคว้าลงไปเห็นตามความจริงของมันดูหนังเนื้อเองก็ดูทุกข์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 เ่อร่างกายมันแตกอ้าวถ้าว่าเราถือว่ากายนี้เป็นเราร่างกายแตกเราก็หมดความหมายคิปหายวายพวงไปหมดปนปี้ไม่มีอะไรเหลือเราจะเอาอะไรไปต่อพกต่อชาติมีอำนาจศาสนาต่อไปข้างหน้าเพราะร่างกายมันจมไปแล้วที่ว่าเราเรานั่นน่ะแเราตีนิ้งหางแยกทำมันเห็นชัดเจนถ้าเราไม่ถือร่างกายว่าเป็นเราเนี่ยเอาร่างกายจะแตกก็แตกไปตัวเรายังมีอยู่นี่แหละคือตัววาสนาเวทนาความสูขความทุกข์เกิดขึ้นหนับไปเอาหนับไป นั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ของเราเห็นชัดเจนนี่แ่ละคือหลักไตรลักษณ์ที่ก้าเข้าสู่ชัยสมองระพุมก็คือพิจารณาเห็นตามความจริงที่พระเจ้าทรงกัลป์สอนไว้แล้วนี้โดยถูกต้องรูปังอันนี้จางรูปังอนัตตานั่นตังประกาศกัางวันอยู่ทั่วโลกกระชาติจะพ่อจ ย, ยิ่งทั่วสกุลนากายของเราทั่วขันห้าไม่ว่าขันใดที่จะปฏิเสธอ น, นี้จางทุกข์ขงอนัตตนี้ไม่มีเลย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 รุ่งร้อนของกิเลวันนั้นเป็นเรานี้เป็นของเรานั้นคือเรื่องของกิเลสที่พาเราให้จมอยู่ตลอดมาไม่เข็ดไม่หลามไม่เงือนะั่ัญญาแทรกเข้าไป น, นิจจังทุกขันาตาท่านว่าที่ไหนท่านไมว่าในขันห้ารูปังนิจจังนะรูปังนัตตานั่นเวทนานิจจเวทนาอนัตตานั่นสัญญานิจจสัญญาอนัตตานั่นสังขารานิจาสังขารอา น, าานัตตา วิญญาณอานิจังวิญญาณอนัตตานั่นสัพเพธรรม า, านาตานั่นจังสิคำว่าสัพเพธรรมานตาเมื่อถึงขั้นเต็มที่ที่จะปล่อยวางตัวประการทั้งปวงแล้วขึ้นชื่อว่าสมมุติทั้งปวงไม่ว่าดีว่าชั่วเป็นอนาตตาทั้งสิ้นนะั่นพันว่าสัพเพธรรมานาตากว่าทำทั้งปวงขึ้นชื่อว่าสมมุติไม่ว่าภายนอกภายในเป็นอนาตตาทั้งสิ้นไม่ควรจะยึดรับกันเราเป็นของเราอืม สุดท้ายทั้งหมดทำทั้งปวงไม่ควรถือมั่นสัต์เดอะไรธรรมมาอะไรจำไม่ได้อนิเวซายะในบาลีทำทั้งปวงไม่ควรถือมันบบอมอมอ่น น, น, ทท น, นี่ถึงขั้นจะควรปล่อยวางแล้วปล่อยวางโดยประการทั้งปวงไม่ให้มีอะไรเหลืออยู่ภายในจิตนั้นเลยจิตจะได้พ้นจากความกดทวงทั้งหลายไม่ว่ามากว่าน้อยเป็นอิสระจิตอิสระเสรี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 ทั้ลาอะอยู่พายใใจเป็นมหาสมบัติอยู่นี้เอาใจทันไรก็ไม่หมดอย่างพระพุทธเจ้าสั่งสอนโลกสั่งสอนเท่าไหลายทั้งสามโลกก็ไม่หมดทํางพระองค์ออกมาจากมหาสมบัติคือธรรมชาติที่บริสุทธิ์ของพระองค์นั่นแหละเราในวารานี้เราพยายามสั่งสอนเราเอาให้เต็มภูมิตอกเคื้องเราให้เต็มภูมิขึ้นสารดีกาตัดสินกันให้ราบลงไปอย่าให้มันมีอะไรมาข้านได้อีกเลยพิเรนเอาให้เรียกพุฒ ถึงขั้นอิสระเสรีแล้วพอนั่นหลักมืองพอเราจะไปหาในโลกหาที่ไหนหาเถอะเมืองพอไม่มีเออได้เท่านี้อยากได้ท่านั้นด้ท่านอยากได้ท่านั้นยา ก, ายากประพัดตะปูเหมือนกับไฟได้เชือ้อเราเคยเห็นว่าไฟมันพอเชือ้อมีที่ไหนเอาเชื้อไฟลงใบดิไฟจ ะ, จะแสดงเตลขึ้นมาท่วมไม้เอกหน่วงไฟไม่ได้ดับเพราะการเพิ่มเชือ้ออที่เรดไม่ได้ดับเพราะความ กระทาตามความอยากเได้เท่าไหรก็นี่แล้วไม่พออยากอยากเพาะนั้นอยากจนกระทั่งวันตายยังไม่พอนั่นคือนชวกิเลียนแล้วไม่มีเมืองพอความเป็นผู้ศรีชีเลียนแล้วนั่นคือเมืองพออยู่ที่ไหนก็พอเอ้ยความพอคือความสมายที่สุดความบกพร่องความหิวโหยคือการรบพวนตัวเองอย่างเราหิวข้าวเป็นไงสบายหรอหิวหลับพี่นอนสบายเหรอนั่น ความรบกวนทั้งนั้นไม่มีอะไรรบกวนัน่นแสนสบายนี่แหละเมืองพอสร้างกิตให้พอตัวขึ้นชื่อชื่อว่าเมืองพอพออยู่ที่จิตวาสนาพออยู่ที่จิจเต็เมชุบบุญอยู่ที่จิจไม่อยู่ที่อื่นให้สร้างที่ตรงนี้นี่แหละเป็นตัววาวาสนาแท้อยู่ที่ใจของเราอืเอาละการแสดงธรรมนึ้เราต้องควรถ้ามี